60โลดธรรมว่าด้วยเหตุและผลข้าขอนอบน้อมบูชาแด่องค์พระมันชุศีข้าขอนอบน้อมแด่พระผู้รู้ทั้งหลายผู้ได้แสดงเรื่องการเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหรือปฏิจจสมุปป น, นธรรมซึ่งช่วยกระจัดความหลงผิดในเรื่องการเกิดดับได้ ผู้ซึ่งจิตของตนนอกเหนือทั้งความมีอยู่และความไม่มีอยู่และไม่ได้คงอยู่ณที่ใดพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้แจ้งชัดแล้วในความหมายที่แท้ของการปรากฏขึ้นเพราะเหตุปัจจัยประกอบซึ่งเป็นแก่นธรรมอันลึกซึ้งของความไม่มีตัวตนเบื้องแรกให้ขจัดความเห็นเรื่องความไม่มีอยู่ อันเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดร้ายแรงทั้งหลายออกไปก่อนตอนนี้จงฟังเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องความมีอยู่หากสัพสิ่งนี้อยู่จริงตามทีเ่เด็กจินตนาการเอาแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมรับในเรื่องการหลุดพ้นอันจะเกิดได้เนื่องเพราะการแจ้งชัดในการไม่มีธรรมชาติแท้ของสิ่งที่มีอยู่ บุคคลไม่อาจเป็นอิสระก็เพราะหลงในความมีอยู่ของสรรพสิ่งบุคคลไม่อาจนอกเหนือสังสารวัตรได้โดยการยึดติดในความไม่มีอยู่เนื่องเพราะการแจ้งชัดในความมีอยู่และความไม่มีอยู่ผู้ประเสริฐจึงสามารถหลุดพ้นและเป็นอิสระบุคคลผู้ที่ไม่เห็นแจ้ง ในความจริงอันยิ่งย่อมหลงยึดติดอยู่ในสังสารวัตและนิพพานแต่บุคคลผู้แจ้งชัดในความจริงอันยิ่งย่อมไม่หลงในมายาของโลกและการนอกเหนือมันทั้งสังสารวัตรและนิพพานทั้งสองมิได้มีอยู่อย่างจริงแท้การเข้าใจแจ้งชัดในสังสารวัตรอย่างถ่องแท้นั้น นั่นคือสิ่งที่หมายถึงนิพพานขณะที่กล่าวว่าความดับคือความเสื่อมสลายของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนั้นผู้เลิศทั้งหลายจึงต่างยอมรับว่าความดับนั้นเป็นดังเช่นมายาสรรพสิ่งดับลงเนื่องเพราะเสื่อมสลายไปอย่างสิ้นเชิงแต่กลับไม่ได้เป็น เพราะการเข้าใจในธรรมชาติอันปรุงแต่งของมันซึ่งใครเล่าจะแจ้งชัดในสิ่งนี้ความเสื่อมสลายไปอย่างสิ้นเชิงจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าหากความหลงยึดติดในขันห้าไม่ได้สิ้นสุดลงแม้ว่าความทุกข์ทั้งหลายจะดับไปบุคคลนั้นก็ยังไม่อาจจะหลุดพ้นเป็นอิสระได้เมื่อใดก็ตาม ที่ความหลงยึดติดนั้นสิ้นสุดลงเมื่อนั้นบุคคลจึงจะเป็นอิสระเมื่อผู้รู้เห็นแจ้งชัดว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นเพราะความหลงเป็นเหตุปัจจัยเมื่อนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะถูกหมายเป็นตัวตนอีกทั้งในเรื่องการเกิดขึ้นและดับไปนี่คือการล่วงพ้นความทุกโศกทั้งหลายในชาตินี้ และกิจของเขาก็เป็นอันสมบูรณ์แต่หากการให้ความแตกต่างยังเกิดขึ้นแม้จะได้รู้ความจริงก็ตามและแม้ว่าบุคคลจะเชื่อในสิ่งที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนี้แต่ยังหลงคิดว่ามีการเกิดขึ้นจริงบุคคลผู้ที่ขาดความแยบขายเช่นนั้นย่อมอย่างมิได้แจ้งชัดในความหมายของการเกิดขึ้น โดยอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งอย่างแท้จริงหากสังสารวัตรได้สิ้นสุดลงสำหรับพระผู้ดับทุกหมดแล้วทำไมพระพุทธองค์จึงไม่กล่าวว่าสังสารวัตมีจุดเริ่มต้นและหากมันมีจุดเริ่มต้นนั่นย่อมเป็นการยึดติดด้วยความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้อย่างไรสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในตอนแรกมันสามารถจะดับอีกในตอนหลังได้อย่างไรเมื่อว่างจากขอบเขตแห่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโลกก็ปรากฏราวกับภาพมายาเมื่อบุคคล เห็นการเกิดขึ้นของความเป็นมายาหรือความเสื่อมสลายไปของมายาผู้ที่แจ้งชัดในความเป็นมายาย่อมไม่เบังเกิดความหลงย่อมไม่มีความต้องการหรือปรารถนาในสิ่งใดอีผู้ที่เห็นชัดด้วยจิตของตนว่าปรากฏการ์ทั้งหลายนั้นเป็นดั่งเช่นพยับแดดและมายาเขาย่อมไม่ถูกทำให้มัวหมอง ด้วยความเห็นที่ยึดติดในเรื่องจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดผู้ที่หลงเชื่อว่าสิ่งปรุงแต่งนั้นเกิดขึ้นและดับไปเขาย่อมยังไม่เข้าใจชัดในการเคลื่อนตัวของกงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนื่องเพราะสิ่งนี้และสิ่งนั้นนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ได้โดยตัวของมันเอง และสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองนั้นจะถูกเรียกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรความสงบของปรากฏการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นได้เนื่องเพราะสิ่งที่เป็นเหตุของมันสลายไปนี่ถูกเข้าใจว่าคือการดับการที่สิ่งหนึ่งมิได้สลายไปโดยธรรมชาติภายในของตัวมันเองจะถูกเรียกว่าการดับได้อย่างไร เนื่องเพราะไม่ได้มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีสิ่งใดที่เสื่อมสลายดับไปแต่พิธีแห่งการเกิดดับก็ได้ถูกแสดงไว้เนื่องเพราะมันมีจุดประสงค์เมื่อเข้าใจการเกิดก็ย่อมเข้าใจการดับเมื่อเข้าใจการดับก็ย่อมเข้าใจความไม่เที่ยงเมื่อเข้าใจว่าเราจะสอดคล้องกับความไม่เที่ยงได้อย่างไร ทำอันยิ่งย่อมถูกเข้าใจได้เช่นกันผู้ที่เข้าใจการเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งว่าคือความว่างจากการเกิดและการดับผู้ที่แจ้งชัดเช่นนั้นย่อมข้ามพ้นทะเลแห่งสังสารวัตอันเกิดจากทิฏฐิมานะของตนสรรพสัตว์ที่หลงยึดมั่นในความมีอยู่จริง ผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสตัญหาเนื่องเพราะความหลงผิดในความมีอยู่และความไม่มีอยู่พวกเขาย่อมถูกลวงหลอกโดยจิตของพวกเขาเองผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในสัจธรรมพวกเขาย่อมเห็นว่าสรรพสิ่งนั้นล้วนไม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นมายาลวงหลอกมีแค่เปลือก ว่างเปล่าและไร้ตัวตนพวกเขาเห็นมันได้อย่างแจ้งชัดมันไร้ขอบเขตมันไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวตนไร้แก่นสารไม่ได้คงอยู่ณที่ใดทั้งหมดมันเกิดมาจากความหลงทั้งสิ้นว่างเปล่าจากจุดเริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดเช่นเดียวกับต้นกล้วยที่ไม่มีแก่น เช่นเดียวกับเมืองสวรรค์บนท้องฟ้าโลกอันน่าสะพรึงกลัวนี้คือเมืองแห่งความหลงปรากฏขึ้นราวกับมายากลพรามทั้งหลายและอื่นๆที่ปรากฏขึ้นราวกับเป็นสรรพชีวิตในโลกจริงๆพระพุทธองค์กล่าวว่ามันล้วนเกิดจากความหลงทั้งสิ้นแล้วจะมีอะไรที่นอกจากนั้นอีก โลกมืดมิดด้วยอวิชชาไหลไปตามกระแสแห่งตัณหาปราดผู้รู้ล้วนปราศจากความอยากใดๆแล้วทั้งสองจะเท่าเทียมกันได้อย่างไรสำหรับผู้ที่สแสวงหาความจริงอันยิ่งเบื้องต้นควรจะเรียนรู้ในเรื่องความมีอยู่ของสรรพสิ่งต่อมาเมื่อเขาเข้าใจความหมายที่แท้จริง และปราศจากความยึดติดเขาก็จะเข้าใจในเรื่องความไม่มีอยู่ด้วยความไม่เข้าใจแจ้งชัดในความหมายของความไม่มีอยู่แต่รู้เพียงการได้ยินได้ฟังมาและอย่างไม่ภาคเพียรกระทาในสิ่งที่เป็นกุศลบุคคลเช่นนั้นย่อมประสบแต่ความพินาศกรรมวิบากและภพภูมิต่างๆที่จะไปเกิด ล้วนได้ถูกอธิบายไว้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมันและการไรจุดเริ่มต้นของมันล้วนได้ถูกสอนไว้เช่นกันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงแสดงเรื่องฉันและของฉันเพื่อจุดประสงในการปฏิบัติท่านก็ได้ทรงแสดงเรื่องขันหทาธาตุสี่และอายตนะเพื่อเหตุผลในการปฏิบัติเช่นกัน แม้ความรู้ต่างๆที่ได้กล่าวถึงเช่นธาตุทั้งสี่จะได้ถูกซึมซาบเข้าไปในความรู้สึกอย่างเต็มที่แต่เพียงแค่การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจจากการฟังและการคิดมันจะไม่อาจเข้าใจผิดได้เชียวหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กล่าวว่านิพพานเท่านั้นที่เป็นความจริงอันยิ่งแล้วผู้ที่เรียนรู้มามาก จะไม่คิดเอาเองหรือว่าสิ่งที่ตนรู้และเข้าใจนั้นก็ไม่ผิดพลาดตราบใดที่จิตยังหวั่นไหวตราบนั้นก็ยังตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งมารเช่นนั้นมันจะไม่เป็นการไร้เหตุผลหรือที่จะกล่าวว่ามันไม่มีความผิดพลาดพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กล่าวว่าโลกนั้นมีอวิชชาความหลงเป็นปัจจัย แล้วทำไมมันจะไม่มีเหตุผลที่จะกล่าวว่าโลกนี้ล้วนเป็นผลของความปรุงแต่งในเมื่อสิ่งต่างๆสิ้นสุดเพราะความดับไปแห่งอวิชาแล้วทำไมมันไม่เป็นการแจ้งชัดหรือว่าสิ่งต่างๆล้วนเป็นการเสกสรรปรุงแต่งโดยอวิชาสิ่งที่ปรากฏขึ้นโดยอาศัยเหตุ และไม่สามารถคงอยู่ได้หากปราศจากปัจจัยและมันจะจางไปเมื่อหมดปัจจัยแล้วสิ่งเช่นนี้จะเข้าใจว่ามันมีอยู่จริงได้อย่างไรหากผู้เชื่อในเรื่องความมีอยู่จริงคงอยู่ด้วยความยึดติดในสิ่งต่างๆว่าจริงนี่มันไม่มีอะไรที่จะต้องประหลาดใจที่พวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนทางเช่นนั้น มันช่างน่าเศร้าสำหรับผู้ที่อยู่ด้วยความยึดมั่นในสิ่งต่างๆว่าจริงและพยายามโต้เถียงแม้ขณะพูดในเรื่องทางของพระพุทธเจ้าเขาจะกล่าวถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งก็ตามหากไม่มีสิ่งใดถูกสังเกตด้วยการตรวจสอบอย่างแยบคายในสิ่งนี้และสิ่งนั้น ผู้ที่เรียนรู้มากจะไม่ยืนยันว่าการโต้เถียงในเรื่องสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกหรือผู้ที่ยึดติดในความเป็นตัวตนหรือยึดติดในโลกว่าไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งพวกเขาก็ยังคงหลงจมอยู่ในความเห็นเรื่องการเกิดขึ้นความเที่ยงความไม่เที่ยงและอื่นๆ ผู้ที่เชื่อว่าสิ่งต่างๆเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งตามบัญญัติในเรื่องความจริงอันยิ่งแล้วความผิดพลาดในเรื่องความเที่ยงแท้และอื่นๆจะไม่เกิดขึ้นในจิตของพวกเขาเชียวหรือผู้ที่ยอมรับว่าสิ่งปรุงแต่งนั้นไม่ใช่ทั้งจริงและไม่จริงมันเป็นเช่นเดียวกับเงาพระจันทร์ในน้า พวกเขาก็จะไม่หลงไปในความเห็นอันงมงายทั้งหลายอีกหากบุคคลเชื่อมั่นว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่จริงความเห็นอันผิดพลาดและเลวร้ายย่อมเกิดขึ้นอันจะทําให้เกิดโลภะและโทสะตามมาจากความเห็นอันผิดเหล่านี้นี่เป็นเหตุแห่งความเห็นในทางอันงมงายทั้งหลายซึ่งหากปราศจากมัน ก็จะไม่มีความทุกข์ยากใดๆเกิดขึ้นดังนั้นหากเข้าใจแจ้งชัดในเรื่องนี้ความเห็นและกิเลสทั้งหลายก็จะระงับลงบางคนอาจจะสงสัยว่าใครเล่าจะเข้าใจเรื่องนี้พระผู้แจ้งชัดในความจริงอันยิ่งได้สอนไว้ว่าการเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุและปัจจัยคือไร้การเกิด สำหรับผู้ที่หลงอยู่ด้วยความเห็นผิดและหลงยึดติดในสิ่งไม่จริงว่าจริงความยึดติดและความขัดแย้งมากมายย่อมบังเกิดขึ้นในพวกเขาเพราะความยึดมั่นถึงมั่นผู้เป็นเลิศในหมู่สัตว์ทั้งหลายพวกเขาล้วนไม่มีทั้งบทสรุปและความขัดแยง้งสำหรับผู้ที่ไม่สรุปในสิ่งใดๆ แล้วเขาจะยึดในความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างไรในการพบจุดอ่อนที่เขาถูกรัดไว้ได้วยงูพิษคือกิเลสแต่สำหรับผู้ที่จิตของเขาไม่มีจุดอ่อนใดๆพวกเขาย่อมไม่อาจถูกรัดได้สำหรับผู้ที่จิตของเขามีจุดอ่อนแล้วพิษอันร้ายกาจของกิเลสจะไม่เกิดขึ้นหรือสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่าง พวกเขาก็ย่อมถูกงูพิษรัดไว้เช่นกันเหมือนกับเด็กที่รับรู้และยึดติดในภาพสะท้อนของรูปย่อมหลงคิดว่ามันจริงเช่นกันเพราะสัตว์สัตว์ในโลกล้วนอยู่ในความหลงพวกเขาจึงติดอยู่ในกรงขังแห่งตัวตนพระผู้รู้ล้วนมองด้วยตาปัญญา คือความตระหนักรู้ดั้งเดิมหรือจิตเดิมแท้ของท่านทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงดั่งเช่นภาพสะท้อนของรูปพวกเขาจึงไม่หลงจมอยู่ในปลักตมที่เรียกว่าวัตถุแห่งการรับรู้ผู้ที่ยังเป็นเช่นเด็กๆล้วนหลงยึดติดในรูปทั้งหลายผู้อยู่ระดับกลางต่างบรรลุสู่การปล่อยวาง ด้วยการแจ้งชัดในธรรมชาติของรูปผู้มีปัญญาเลิศจึงเป็นอิสระบุคคลหลงยึดติดในสิ่งหนึ่งก็ด้วยหลงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่ายินดีด้วยการหันหลังให้กับมันเขาก็จะปราศจากความยึดติดในมันผลร้ายของกิเลสที่ทำให้เกิดความทุกข์ยาก อันเนื่องมาจากความเห็นที่ผิดนั้นย่อมจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เข้าใจแจ้งชัดในความหมายของความคิดปรุงแต่งในเรื่องการมีอยู่จริงและการไม่มีอยู่จริงหากบุคคลมีจุดอ่อนอยู่เขาย่อมเกิดการยึดติดและการปล่อยวางแต่ผู้ประเสริฐผู้ปราศจากจุดอ่อนใดๆท่านย่อมไม่มีทั้งการยึดติด และการปล่อยวางผู้ที่ไม่หวั่นไหวแม้กับจิตที่คิดปรุงแต่งในเรื่องความว่างเขาย่อมสามารถข้ามพ้นทะเลแห่งสังสารวัตรที่มากไปด้วยคลื่นอันเกิดจากงูพิษแห่งกิเลสตัณหาด้วยบุญกุศล น, นี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงสมบูรณ์ไปด้วยบุญบารมีและปัญญา จงบรรลุถึงกายอันละเอียดลึกซึ้งทั้งสองของพระพุทธเจ้าอันเกิดขึ้นจากบุญบารมีและพระปัญญาเถิด